ก็ชุมชาวเรา <c oughs> ทบทวนทวนอารมณ์ปฏิบัติในประจำวันของเร า, า ก, การที่เราปฏิบัติในวิธีการบทเรียนมี2รูปแบบรูปแบบที่มาไปใช้กับรูปแบบที่ฝึกปฏิบัตินี่รูปแบบฝึกปฏิบัตินี่ก็ให้ จํำหลักของรูปกรรมนามรูปกรรนามคือความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกทางจิตหนึ่งแต่ความรู้สึกทางกายจะเน้นในเรื่องของเวทนาพกายความรู้สึกทางกายก็เรียกวเวทนาจิตและความรู้สึกทางจิตเรียกว่าอารมณ์วิธรรมารมณ์ก็มีสองอย่างมัน มันเพูดถึงไฟกับหลอดไฟหรือหลอดไฟกับไฟฟ้ามันสแสบไฟฟ้าเหมือนนามมันจิตหลอดไฟก็เหมือนกายหลอดอาการของหลอดไฟอาการของไฟแล้ฉะนั้นกายอาการของกายจิตอาการของจิตมันเห็นเป็น ธรรมชาติเราจะเข้าใจง่ายถ้าหากว่าเราเห็นรูปธรรมชัดก่อนพอมาดวงถึงนามารรมมันก็จะเห็นชัดนั้นเวลาเรามีร่างกายนี้มันก็จะมีอาการของกายนี้ปรากฏตลอดตามกฎของไตรักอาการของกายนี้กฎของไตรักทำงานมันมีมาตั้งแต่ ก่อนโลกนี้จะเกิดกฎของแต่ลักเป็นกฎของจักรวาลอสิ่งที่เป็นรูปทำหลายทั้งรูป <c oughs> ทํานามธรรมนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของแตล่ละแต่นามธรรมาถ้ามันมีรูปเข้าไปแฝงด้วยก็ยังอยู่ภายใต้กฎของแตล่ละกเหมือนกันแต่ถ้านามถ้ามันบริสุทธิ์ แล้วมันไม่มีรูปแฝงอยู่มันก็จะอยู่เหนือกฎของแต่รักได้นั้นร่างกา ย, ยก็อยู่ดนกฎแต่รักไม่ได้พอนเป็นรูปแต่ถ้าเมื่อใดเราไม่มีการเจริญสติเจริญปัญญาจนถึงขั้นเป็นวิปัสนาญาณเราก็ไม่สามารถสกัดกั้นความอาการของรูปเหนือเขาไปสู่นามได้เขาเรียกว่านามารูปเพือเป็นอาการของจิต ชินอาการคิดอาการพอใจไม่พอใจเป็นอาการของจิตแต่อาการของกายมันจะออกมาเป็นความสบายไม่สบายหนักเยน็นร้อนออนข็งเค้งตึงพวกนี้นี่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาปฏิบัติในวิธีการวิปัสสนาอย่างถูกต้องแล้วก็จะเห็นอาการของกายของจิตได้ชัด แต่ว่าแยกไม่ได้กายกับอาการของกายมาด้วยกันแต่ว่าเราสามารถแยกได้ถึงว่าอาการของกายไม่ให้เข้าไปสร้างอาการของจิตจิตนี้มันจะเป็นได้ทั้งรูปนามเรียกว่านามรูปเป็นนามก็เรียกว่า น, น, นามแต่นามแล้วนี้นจะเป็นออกมาเป็นของธรรมฝ่ายกุศล แต่ถ้าเป็นนามรูปส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทางฝ่ายอกุศลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเป็นนามล้ ว, ลวนๆเป็นฝ่ายที่เป็นกุศลก็เป็นฝ่ายที่ดับทุกข์ดนะังนั้นถ้าหากว่าเร า, เาได้มาศึกษาพุทธศาสนานี่ถ้าเราไม่ถึงขั้นวิปัสสนาก็เรียกว่ายังไม่ใช่พุทธศาสนาร้อยร์เซ็เป็นพุทธศาสนาแบบไม่เต็มร้อย พุทธศาสนาร้ซต์ต้อสามารถที่แยกอาการของจิตออกจากอาการของกายได้ด้วยนะแต่หมายความว่าต้องทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกเราไม่สามารถจะแยกอาการของกายของจิตจากกาันจิตเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่จะเป็นกฎของมันเมื่อจิตเราเป็นทุกข์นหมายความมันมีรูปเข้าไปแล้ว ต, ตัววิปัสนาจะเข้าไปแยกรูปออกจากนามอทีนึ่แต่ถ้าวิปัสนาเราไม่แก่กล้าไม่เข้มแข็งพอเข แ, แยกรูปออกจากนามไม่ได้ความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นรูปเนื่องมาจากความสบายกายม่สบายกายเมื่อวิปัสนาหรือปัญญาเราไม่เข้มแข็งเนี่ยเมื่อสิ่งที่มากระทบ ต, ตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางที่ ไม่ชอบมันก็จะสร้างอาการของจิตขึ้นมาอาการไม่ถูกใจอาการไม่พอใจสร้างอาการของจิตตัวจิตนี้เรียกว่านามรูปแต่นามรูปมันมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นความรู้สึกแล้วก็ลักษณะที่เป็นนามรูปที่เห็นชัดบางทีนามรูปกับความรู้สึกที่เป็น พอใจไม่พอใจหรืเฉยๆออกมาไม่ชัดแต่ว่าความรู้สึกพอใจไม่พอใจเฉยๆมันจะสร้างนามารูปได้ชัดบางครั้งเราก็คิดแต่ก่อนเกิดความพอใจไม่พอใจแต่บางครั้งความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นแล้วมาสร้างความคิดมันจะมีสองลักษณะบางทีความรู้สึกสร้างความคิดบางครั้งความคิดสร้างความรู้สึกท้แรกแยกตรงนี้ได้ ก็เรียกว่าตัวมีปรัชนาญาณของเราก็จะสามารถแยกออกได้มีปรัชนาญาณก็จะสอนเราว่ารูปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีการทุกข์ย่อต้องตามมาที่นั่นไม่ว่าเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะในในรูปมันมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นอนิจจังทุกขังนาตาตลอดเวลามันไปอยู่ที่ไหนมันก็จะ ถึงแม้ว่าเป็นรูปของในจิตเรื่องนำมาลูกเช่นเราคิดถึงรูปด้วยความไม่พอใจมันก็มีอาการตามมาด้วยเราคิดถึงเฉยๆโดยที่ไม่มีความพอใจไม่พอใจก็มีเหมือนกัน น, นี่ก็เรียกว่าเป็นนำมารูปแต่มันพร้อมที่จะเป็นพอใจไม่พอใจก็ได้ที่ความพอใจไม่พอใจทำให้เราคิดถึง ถ้าไม่มีความพอใจไ ม, ม่พอใจก่อนแล้วความคิดมั น, นจะไม่ปรากฏหรือปรากฏเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นนามรูปขเขารียกว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเป็นอารมณ์ของจิตลักษณะนี้ก็เป็นอาการที่ยังไม่แน่ว่ามันจะเป็นนามหรือเป็นรูปแต่ถ้ามันดับไปก็เป็นนามแต่ถ้ามันไม่ดับนามรูป มันอาธรรมารู้ไม่ดับรู้กายมาเป็นความชอบไม่ชอบแต่ถ้ามันเกิดแล้ว ม, มีความ ม, มีสติเข้าไปตามรู้อยู่ไอ้นาธรรมารู้จนรู้กายเป็นนามไปแต่ถ้ามีวิปัสสนาเข้าไปารู้มันก็จะกลายเป็นตัวปัญญาในนามารู้ในในตัวธรรมารู้ เขาเรอิทธารมุมอนิทธารมุมแล้วก็ธรรมารุมมีสาอารมณ์อิทารุมคืออารมณ์ที่น่าพอใจอนิทธารมุมอารมณ์ที่น่าพอใจแล้วก็ธรรมารุมเป็นอารมณ์ที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศ ล, เ ป, ลเป็นกุศลเป็นกลางกลางธรรมารุมนี่เป็นกลางกลางแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นความพอใจไม่พอใจมันก็จะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ ขึ้อยู่กับว่าตัวประกอบนั้นเวลามันจเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเราต้องการให้ได้สติสมัธยาปัญญาเข้มแข็งเท่านั้นนะแต่ถ้ามาทําแล้วสติสมัธยปัญญาเราไม่เข้มแข็ง น, นวิธีการของหลวงพ่อเทียนก็ใช้ไม่ได้น่นอาศัยวิธีการของหลวงพ่อเทียนเพียงเพื่อทําสติสมัธยาปัญญาเข้มแข็งเพราะถ้าสติสมิปัญญาเข้มแข็งแล้วมันจะไปก่อให้เกิดตัววิปาาัสนาญาณแล้วตัววิปาาัสนาญาณตรงนี้มันก็จะไป แยกออกระหว่างรูปกับนามได้นามกับรูปออกจากนามไดอนน้อันนี้คือข้อดีแต่ในวิธีการอื่นนั้นมันเข้มแข็งเหมือนกันแต่มันใช้เวลานานในวิธีการพัวเทียน จ, จะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าข้อที่จะต้องแลกเปลี่ย น, นก็คือต้องขยันทํามากกว่าไม่ขัดช่วงขาดสาย ก็เหมือนเราทำมากใช้วเวลามากแต่ว่าเราหมดสัน้นเข้ามาตรงที่ว่าเราไม่ให้ขาดช่วงัวเองที่มันยอ่อเหมือนกับเราเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยระยะทางเท่ากันห้ารอกิโลแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยมันบินต่อเนื่องมันก็ใช้เชื่อเละชั่วโมงเดียวแต่ถ้าเป็นรถมันก็หยุดเรื่อยไปอ่ามันช้ามันก็กินเวลาเยอะแต่ก็าจริงแล้วระยะเท่ากัน ระยะทางเท่ากันห้ารกิโเท่ากันแต่ใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะนั้นในวิธีการดับน้ำที่มันเข้าไปอยู่ในรูปเข้าไปอยู่ใน น, าน้ า, าเนี่ยถ้าเราใช้สมถะนี่ก็เหมือนใช้รถที่เป็นในส่วนทางบกถ้าใช้วิปัสสนาเราก็ส่วนใช้เครื่องบินหรือทางอากาศมีเป็นต้นในวิธีการพทุทเห็นก็เหมือนเครื่องบินลัดตรงสั้น แต่ต้องทําเป็นทาไม่เป็นก็ก็ไปไม่ถึงเหมือนกั น, นสร้างเครื่องบินให้เป็นสร้างเครื่องบินไม่เป็นก็ไปไม่ได้ก็ต้องไปทางบกชายอยู่ดีอันนี้คือข้อเด่นข้อดอยของนวีพิษณาแบบนี้การสร้างเครื่องบินหมายความว่าเราจะต้องอะไรมากระทบเราจะต้องบินไปเหนืออารมณ์นั้นให้ได้คอยใจมากระทบตาเห็น ไม่พอใจมากระทบก็ต้องข้ามอารมณ์นั้นให้ได้ไปเหนือมันให้ได้ก็เลยสร้างได้สําเร็จความพอใจมากระทบก็ต้องไปเหนือความพอใจนะแต่ถ้าเราไม่เหนือความพอใจเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปเหนือความไม่พอใจได้เหมือนกันเพราะมันมาด้วยกันความไม่พอใจก็มาจากความพอใจถ้าเราพอใจอะไรมากๆเมื่อมีการมีสิ่งมากระทบร่วมันข้ามเราก็ไม่พอใจมากๆได้เหมือนกันเพราะนั้นเราจะตัดความไม่พอใจมาตัดความพอใจก่อน อันนี้คือความยากของมันมันสร้างได้ ย, ยากตรง น, นี้เพราะงั้นเราก็ต้องฝึกให้อยู่เหนือถ้าจะต้องการอยู่เหนืออารมณ์ความไม่พอใจก็ต้องมาฝึกให้อยู่เหนือความอารมณ์พอใจเพราะอารมณ์ความพอใจมันมีมากกว่าในชีวิตประจำวันและอารมณ์อีกตัวนี้ยากเข้าไปอีกคืออารมณ์ความไม่แน่ว่าจะเป็นพอใจหรือไม่พอใที่เราเรียกว่าเฉยๆเราก็ต้องอยู่เหนืออารมณ์ตัวนั้นได้เหมือนกันอยู่เหนืออารมณ์เฉยๆ วาลมเฉยถ้าเราไม่อยู่เนื้อมันมันก็นําให้เกิดความเฉยชาขี้เกียจแล้วก็งงงวยสงสัยอะไรต่างเราก็ต้องไปนเหนือลมตัวนั้นให้ได้อ น, นี้ที่ว่ามันสร้างยากการสร้างตรงนี้ถ้าสร้างตรงนี้สําเร็จมันก็ง่ายขึ้นเดี๋ยวสร้างเครื่องบิ น, นยากรถหลายเท่าสร้างวิปสัสสนาที่จะไปนเหนือลอมและตรงสั้นมันยากกว่าสมถาะาหลายเท่าทีเีย ไปทางดินไปทางบกก็คือเรื่อใช้สมถะแต่ไปทางอากาศคือใช้วิปัสสนาแต่เราเราปฏิบัติวิปัสสนาแต่เราถ้ายังข้ามารุมไม่ได้เราก็ยังเป็นสมถะอยู่ดีแต่มันจะเร็วจช้าสมถะแบบเร็วก็มีมีวิปัสสนาส่วนวิปัสสนาเยอะเช่นเราไปรถเกง๋งรถสุนตัวรถด่วนมันจะไปเร็วกว่ารถธรรมดา นั้นมันก็ลูกทำน้ำทำไม่ต่างกันนะกแต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทดสอบความไม่พอใจเนี่ยนานๆมันเคยทบเราทีนึงแต่ความพอใจอาจจะทบเราบ่อยแต่บางคนมีความไม่พอใจมากระทบบ่อยก็มีแต่ความไม่พอใจมันอาการเล็กๆก่อนเช่นไม่พอใจที่อยู่ที่นอนไม่พอใจอาหารไม่พอใจที่นั่งไม่พอใจที่ น้ำที่ดื่มไม่พอใจห้องน้ําห้องส้วมไม่พอใจความไม่สะอาดอะไรพวกนี้ย ค, มมความไม่พอใจเล็กเล็กนน้อยเหล่านี้เวลามีอะไรแรงๆคนนั้นมาตําป๊ั๊บความไม่พอใจเล็กก็รวมเป็นกําลังแรงทีนี้ทําให้เราเกิดอารมณ์ได้แต่เราหารู้ไม่ว่าความไม่พอใจเล็ ก, ลกน้อยที่เราไม่ตามรู้มันเนี่ยมันไปเป็นไปสังสมเป็นความพอใจก้อนใหญ่เหมือนกับใครเอา เม็ดหินเม็ดเล็กๆมาโยนใส่เราเนะี่ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเม็ดเท่าก้อยเม็ดเท่าเม็ดข้าวสารเนะีแต่ว่าเราไม่รู้จักปัดป้องมนะันเลแต่พอมาเจอลูกใหญ่ๆหินเท่าหัวไอกําปั้นเนะี่ยโยนถูกหัวปุ๊บเราก็หลบไม่ถูกเพราะขณะเราไม่รู้จักหลบลูกเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆลูกโต ๆ, ๆ, ๆก็ไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> แต่เราฝึกหลบลูกเล็กๆอะไรมาหลบลูกโตๆแล้วก็หลบเป็นเหมือนกันส่วนใหญ่ความพอใจไม่พอใจแต่ถ้าความพอใจมันจะอาัมาแบบเป็นน้ําหอมปุยนุน่นปุยฝ้ายที่เราชอบอะไรที่ามากระทบเราชอบอนะก็เป็นตัวที่มากระทบเหมือนกันแต่เราไปชอบเพราะว่ามันถูกใจแต่หารู้ไว้นะมันเป็นตัวเชื้อที่ทำให้เราได้รับความรู้สึกตรงข้ามได้เหมือนกัน ันนี่คือส่วนที่ต้องเรียนรู้มันไม่ง่ายแต่ไม่ยากอยู่ที่ความศรัทธาและความเพียรเราเพียรทาบ่อยๆมันก็จะมีถูกมีผิดแต่ใจศรัทธานี่ต้องมีศรัทธาต่อวิธีการศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ศรัทธาต่อคำสอนต้องมีเป็นพื้นฐานแต่ว่าตัวขยันทรเนี่ยเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราล่ะ แต่ขยันในขณะทำรรนั้นก็จะมีทั้งสองอย่างมีทั้งถูกและทั้งผิดใช่หรือไม่ใช่สลับมันไปสลับมันมาถูกใช่ก็มีไม่ใช่แต่ถ้าคนไหนที่มีสติปัญญาพื้นฐานมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีการพิจารณาไต่ตรองคัดกรองได้มากขึ้นมันก็จะถูกมากกว่าโอกาสพัฒนาที่เป็นปัญญาก็ได้เร็วขึ้นแต่คนไหนมิมีสติปัญญาปัญญาหรือปฏิภาณไวพิบ เป็นพื้นฐานมาก่อ น, นก็ทำผิดเป็นเป็นส่วนใหญ่มันก็ได้น้อยมันก็ช้าออกไปอันนี้คือตามอัตราส่วนบางคนปฏิบัติไม่นานแค่ปีสองปีก็อยู่ข้ามความพอใจไม่พอใจได้แล้วบางคนปีปฏิบัติม่สิบปียี่สิปียังข้ามไม่ได้อันนี้ก็เพราะว่าเราทำผิดเป็นส่วนใหญ่ช้าเพราะสติสมาธิพื้นฐานไม่พอเราก็ต้องมาเอาจริงเอาจังกับตัวเองมากขึ้น อาจนข้างแม้อารมณ์พอใจไม่พอใจเล็กๆน้อยก็ต้องฝึกข้ามตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าหากว่าเราพอใจไม่พอใจเล็กน้อยเราไม่สนใจที่จะรู้เนี่ยพอเจอเจอตัวใหญ่ๆมาเราก็รู้ไม่ทันก็โดนหนักเหมือนกันนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันของเราแหละมันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องต่างไปขึ้นอยู่กับว่าเราได้ฝึกประจำไหมถ้าได้ฝึกฝนประจําหมายความว่าเราก็ให้ความสําคัญ ควาพอใจไม่พอใจมันก็จะมาอย่างทานอาหารเนี่ยบางคําแล้วก็อร่อยแล้วก็พอใจบางคําไม่อร่อยแล้วก็ไม่พอใจเนี่ยมันก็เริ่มต้นแต่ต้นแต่นุ่นแหละ บ, บางวันอากาศร้อนแล้วก็ไม่พอใจบางคันอากาศดีแล้วก็พอใจมันก็มีเริ่มไปแต่โน้นทึ่งใจแต้องสิ่งเหล่า น, นี้มันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกมันผิดถูกตรงที่ว่าเราไม่ตามศึกษาไม่ตามเรียนรู้ ไม่ตามเข้าใจเหมือนตัวนั้นมันมันมั น, ม, นมันไปพลาดตรงนั้นนะเพราะคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับความเคยชินที่ไม่ได้ฝึกฝน่ะมันก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมจะกําหนดตัวหนาวมาตัวเย็นมากําหนดเราแล้วก็เย็นพอใจไปตามมันตัวร้อนมาถูกเราเราก็รู้สึกร้อนไปตามมันแต่คนไม่ได้ฝึกฝนหรือฝึกฝนมาไม่ถูกเนี่ยก็แล้วแต่เองสิ่งวดล้อมเขาเน่าจะตัวเป็นตัวกาหนดให้เราเป็นไป แต่คนที่ฝึกฝนมาบ้าง mm hmm. ก็ใจตามกำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างนะทันก็มีไม่ทันก็มีแต่คนฝึกฝนมาจนชำนาญแล้วนี่ส่วนใหญ่มันก็ทนันเพราะทันมันก็ปล่อยได้เร็วโอกาสที่จะสังสมเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็ไม่เป็นละนะเพราะมันถูกสลัดทิ้งไปเรื่อยๆอันนี้คือกฎของธรรมราธรรมชาติมันไม่ใช่ความซับซ้อนอะไรต่างๆ แต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นทั้งสองข้างเท่าๆกันข้างที่เป็นรูปธรรมกับข้างที่เป็นนามธรรมาถ้าว่าเราจะไปศึกษาเรื่องนามธรรมาปับ๊บเราก็ลืมเรื่องรูปธรรมไปเลยเราจะไปศึกษาเรื่องรูปธรรมปับ๊บเราก็ลืมลืมเรื่องนามธรรมเช่นเราจะไปซักผ้าเนี่ยแล้วก็จะมุ่งจะ่ซักผ้าอย่างเดียวแต่เราลืมนามธรรมาไปเลยนามธรรมาคือถ้าหากว่าคนที่มีประสบ ก, การณ์ปฏิบัติมามากๆพอจะซักผ้าปับ๊บก็ต้องเริ่มต้นละ สักอย่างไรรู้สึกอย่างไรสัก่างไให้มันสะอาดสักอย่างให้มันสบายสักอย่างไรให้มันรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าคนที่เห็นทั้งสองด้านก็จะช่วยประโยชน์ได้ทั้งสองด้านเหมือนกันผ้าก็ได้สักสติก็ยังไม่ขาดสายแม้แต่การเดินทางไปมาขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยถ้าคนที่เป็นนำรูปประธรรมยังไม่เข้าใจนามธรรมก็จะได้ แต่การไปกันมาที่ถึงเป้าหมายแต่ในช่วงทุกเก้าเนี่ยัยังไม่ได้ตัวรู้สึกตัวหรือได้แต่ว่าผลเผลืนนิดหน่อยเราเดินสักพันเก้าเรารู้สัก1ิก้าหรือร้เก้าอีกเกร้อยเกมันไม่ได้เลยงี้ก็ได้อันนี้คือบางทีรู้รูปทำนามธรรมกันก็รู้กันแต่ว่ามันไม่สมดุลกันเรารู้แค่รูปธรรมมากกว่าแต่รู้ นำทำนิดหน่อยเราเก้าตั้งร้9ยเกแต่เราไปรู้แค่ไม่ถึง1 9 9เก้9ในเ้นไปกับความรู้สึกที่เป็นรูปธรรมหมดอันนี้คือในส่วนที่เราต้องศึกษาทำยังไม่นก็อย่าทิวไลทคือวคือไปไปมาดีๆไล่ๆพอใจไม่พอใจอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆ ซึ่งเราก็ปฏิบัติอยู่ในไอ้ทําทไมมันไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าเราไม่มีการคัดกรองแล้วขาดความแยบคายหรือขาดโยนิโสมนสิการขาดโยนิโสมนสิการ์เมื่อเราดื่มน้ำทุกวันคนหนึ่งดื่มน้ำกรองคนหนึ่งดื่มน้ำไม่ได้กรองตอนที่ร่างกายเข้มแข็งดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เมื่อใดร่างกายอ่อนแอลงเราจะรู้ว่าคนที่ดื่มน้าไม่กรองนจะเป็นมากกว่า ติดโรไข้เจ็บได้ง่ายกว่าแต่คนที่ดื่มน้ากรองร่างกายก็ถึงร่างกายอ่อนแอแล้วก็ไม่ติดไม่ป่วยง่ายยิ่งอ่อนแอเด็ไม่ป่วยงายย่ายแต่บางคนนี่พออ่อนแอแล้วก็ป่วยเลยเพราะว่าไม่ได้คัดกรองสิ่งที่เข้าไปบางทีความเจ็บป่วยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเพราะว่าภูมิท่านหายในร่างกายมันพออยู่แต่ไม่ได้ภูมิร่างกายท่านทํามันตกไอ้ตัวที่เราสั่งสมความไม่ถูกต้อง ความไม่สอาดเอาไว้มัก็สแสดงตัวทําให้เราเจ็บป่วยจิตใจเราเหมือนกันในช่วงที่จิตใจเรามีภูมิทาาทานเข้มแข็งอยู่เนี่ยความพอใจไม่พอใจเล็กน้อยเราอาจจะกดได้ทนได้สะกดได้ ก, ดไดกั้นได้ไม่สแสดงอาการแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งอาการของจิตของเราตกอาการจิตอ่อนแอขึ้นมาปั๊บความพอใจไม่พอใจที่เราเคยสะกดมันไว้สแสดงตัวแรงกเก่าๆอั น, นั้นคือความเจ็บป่วยนะ ซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ซับซ้อนหรอกแต่เนื่องจากว่าเราขาดความเรียบคายในวิธีการหลวงพเทียนต้องการความแยกข่ายเท่านั้นนะเพราะความขยันทุกคนส่วนใหญ่ก็ขยันอยู่แล้วความแยกข่ายมันจะไปคัดแยกว่าที่เราขยันทำร้อยครั้งเนี่ยเรารู้สึกตัวจะชัดที่ถูกต้องจริงจเนี่ยเป็นศีลเป็นเป็นสนนนติเป็นสมาธิเป็นปัญญาครบถ้วนเนี่ยกี่ครั้งหรือเป็นแต่สติ สมาธิไม่มีคือเป็นแต่สติสมธิปัญญาไม่มีบางครั้งเท่านั้นที่เป็นได้ทั้งสอย่างเป็นทั้งสติสมธิปัญญามันก็เป็นกลองถึงสมชั้นบางทีกลองชั้นเดียวเงี้ยซึ่งในจุดเนี้มาให้ความสําคัญมากๆเลยเพราะอะไรเพราะมาผิดพลาดมามากถ้าเราไม่มีการแก้ไขเราก็จะผิดอยู่อย่าเงี้ยเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังตกนรกอยู่เราจะไปบอกปฏิบัติธรรมแล้วทําไมไ ม, ไม่ช่วย มรรมะเขาช่วยอยู่แต่เราใช้ทําไม่ถูกนะมันช่วยแต่ว่าเราทําไม่ถูกมันก็ไม่มันก็ทําขึ้นเป็นไปตามกฎของมันะมันจะถูกต้องตามหลักของมันไม่ใช่มันจะช่วยมั่วนะไม่เหมือนกิจคนกิเลสอ่ะกิเลงคนมันมั่วไปตามความพอใจไม่พอใจแต่ธรรมะเนี่ยมันไม่มีมันอยู่เหนือความพอใจไม่ได้ความพอใจไม่พอใจมันมาตัดสินแต่เอาความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาตัดสิน บางคนก็ว่าเขาวัดตั้งนานปฏิบัติทั้งนานทําไมไม่เปลี่ยนแปลงโกรธเกลียดเคสขุนมันเดิมยังรักยังชังมากมันเดิมพรอเพราะาเราเอาส่วนใหญ่ธรรมะของเราคือเอาความพอใจไม่พอใจเบตัสินไม่ได้เอาความพอดีความถูกต้องเบตัสินมันก็เลยเหมือนว่าไม่ได้มันก็ได้อีกอย่างแต่มันไม่ได้โดยตรงนะมันจะได้กินได้อยู่ได้รับได้ซับได้ลาบให้ความสบายทางกายแต่ว่ามันไปเหนืออารมณ์ไม่ได้ เมื่อมีอะไรมากระทบจิตก็ยังมันก็ยังไปชนเข้าเต็มที่มันอเราไปชนเดินเตะก้อนหินนะแล้วาคนเจริญสติะมันก็ข้ามก้อนหินก้อนนั้นได้เลยไปโทษก้อนหินก้อนั้นก็ไม่ได้เพราะเราไปเตะมันเองอยู่กับที่อารมณ์ก็เหมือนกันที่มันมาตามเรื่องของมันพอใจไม่พอใจอะมันเป็นหินก้อนหนึ่งอืมถ้าหากเป็นหินก้อนความพอใจมันอาจจะกลายเป็นก้อนน้ําแข็งอืม ถ้าหากหินก้อนความไม่พอใจเป็นก้อนหินคมๆเราไปเต็มเข้าก็เดยอาสา์แต่ถ้าเรามาีสติสมาธิปัญญาฝึกฝนมาดีแล้วก็เห็นนะเห็นก้อนนี้เราข้ามไปเลยหินก้อนนั้นก็ไม่ทำอันตรายกับเราไม่ว่าก้อนน้าแข็งหรือก้อนหินอันนี้คือหลักของธรรมชาติธรรมดานะนชชาวนี้ชวงช้าได้คุยกันไว้ท่านีา้สำหรับตอนเย็น แจนบ่ายหลงอเดินทางก็งานที่ฝากานูก็คือเรื่องของติดภาพข้างในผมให้ช่างสองคนมาช่วยวันนี้ที่จะทำแปรลูกไม้เป็นกรอบแนะช่างบานจะไปแสนก็ทำกรอบวันเดียวหน้าคือเรื่อยวันเดียวน่าจะเสร็จแต่ว่ามาแต่งเป็นกรอบมนะันคงหลายวันอยอนะ นั่นในช่งชวงเช้านี่อยู่ก็ได้ว่านัดว่าให้รถเข้าเอาดินที่จะถมด้านหน้าขึ้นมาขึ้นมาก่อนมาปรับที่ให้เสมอแล้วก็คงจะมาช่วยกันปรับเป็นเกลี่ยหลังจากที่รถมันเกลี่ยไม่ไม่ชัดเจนเกลี่ยแบ่งขอบไม่ให้ดินมันไหลไปข้างล่างเพต่อไปอนาคตเราก็จะทําเป็นเทคานเทอะไรแต่ว่าตอนนี้ยังเทคานไม่ได้ไม่พร้อมเราก็ใช้ไม้เป็นขอบหลังจากที่ปรับเสมอแล้วเราอาจจะเอาทรายมาปะหน้า ก็จะได้ลดน้ำปรับเสมอกว่าได้แต่ว่าดินลูกลังมันมีทั้งฝุ่นทั้งดินทั้งหินมันก็อาจจะไม่เรียบร้อยแต่เราปรับให้เป็นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วก็เอาทรายดีๆขึ้นมาโปะอย่างที่เลยทำแล้ต่อไปอนาคตมันจะให้มันไม่ให้น้ามันไหลลงตรงนั้นให้มันไหลแล้วไป ต, ตามที่เราต้องการบังคับให้มันลงถังกระบอกซีเมนแล้วจะต่อไปลงสวนได้แต่เราก็ปรับให้เสมอ ก่อนแล้วก็วันหลังก็ทําล่องให้มันลงหลังฝนตกช่วงนี้เราก็ปรับให้มันแน่นแล้วทร า, ายมาลงเพื่อที่จะคนจะได้มาใช้พื้นที่ได้สะดวกเดฟก็คงจะไปจัดการเรื่องน้ําให้เรียบร้ อ, รอยแต่ว่าช่วยกันปรับดินดีกว่าเรื่องน้ำก็เดี๋ยวเดียวพอเสร็จเราต้องใช้วาลสองตัวล็อกเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ต้องวิ่งขึ้นมาปิดข้างบนเหนื่อยแต่ยล็อกเอาวาล นิ้วล็อกไปข้างนั้นตัวหนึ่งล็อกน้ําที่จะลงไปตัวหนึ่งเวลามีปัญหาตรงนู้นแล้วก็ปิดตรงนั้นก็ไปซ่อมให้เรียบร้อยก็เปิดอืล็อกทางนู้นเอาไว้เผื่ะว่าเราต้องการที่บังคับให้ไปทางนี้ทางนั้นได้อืก็จะได้สะดวกต้อง <c oughs> ทำให้มันสนิทวนะันนี้เห็นน้ําไหลตลอดก็จะสูญเสียน้ำํำเราก็ต้องทํา เรียบร้อยระดับฝีมืออาชีพแล้วทางานให้เรียบร้อยงั้นก็งานที่เหลือนี่ก็เอาตังเหตุปัจจัยอะไางพว่าจะเล่งให้เขาตั้งเสาเสร็จแล้วก็ขึ้นขือขึ้นแปรแสลนมงให้ทันงานสำหรับบัตรแถวช่วยด้วยใ น, น ว, วันพุ่งนี้วันรุ่นนี้ช่างเ็าจะมาติดบานประตูนะเลาต้องหา บันผับที่มาตรฐานหนะึงพ่จะให้ตัวอย่างไว้ถ้าเป็นพันภาพเล็กๆมันอาจจะโยกคอนได้พ่อมีตัวอย่างอยู่ตัวนึงเดี๋ยวจะให้ดูเอาองไปซื้อให้เขาหนะนูเขาดูว่าเขาติดเรียบร้อยดีไหมเพราะว่าข้างนั้นเปตเตลกับพ่อผัวเป็นเจ้าภาพพ่ดูความเรียบร้อยเราเองพ่อไม่ได้อยู่ก็กลับมาวันที่ยี่สก็มีเวลาเตรียมอะไรสักแค่วันที่ยี่แค่นั้นเองตอนนี้อยู่ข้างหลังก็อะไรที่สมควรก็เตรียม ความสะอาดที่นอนม้อนมุ้งที่พักอาศัยอะไรคุณอรวินก็พอจะจัดการได้อยู่นะครับคุณติมต๋มเนาะห้องเก่าห้องข้างล่างห้องที่เขาอยู่เขาอยู่ไปที่ไม่ได้อยู่ทําความสะอาดไว้ก่อนแล้วพอเราถึง เ, เรือนภาพรับรองแล้วก็หุ่นตีข้างล่างที่ว่างก็ทําความสะอาดไว้ไอเอาของไปค้างอนะไก็เก็บรวมๆให้ดี กุฏิข้างล่างที่ช่างกําลังทําอยู่เพราะาจะเล่งให้มันทําห้องน้ำน้ำห้องน้ำห้องส้งน้ำไม่เสร็จอย่างน้อยอมันไม่เสร็จก็เต้นไปกลางนอนข้างในมีห้องน้งํา้องสมกันก็ยังดีมีทางจุ ก, กม้วนมาทําทเสร็จนั่นให้มันเก็บของออกจากกุฏิของลูกยุงวันงานให้ความสะอาดให้เราก็ช่วยดูแลที่พักกันแต่ความสะอาดประจําวันก็ช่วยกันท่านรักกับท่าน บนพอเสร็จธุระเดีวยวจะเคลียด้านหน้าติ๊กใหม่ของเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันลบตรงนั้นปรไขายทำเมื่อวานคนเดียวมัเสร็จแนตะ่วันนี้ก็เอาดินขึ้นใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คงจะใช้เวลาอีกวันหนะึ่งไม่โคตัวเดียวเพื่อให้มันทางขึ้นลงสะดวกนั่นเงฝากเอาไว้จ้ทําเท่าไหร่ก็วความสะอาดสําคัญเหมือนกัน แต่ข้างในที่ช่างทาสีไม้วันนี้วันสองวันมุนควรจะเสร็จ<ม>เสร็จแต่เราถึงเอวขันหลอดไฟข้างบนดูมันจะติดอยู่นะเพราะว่าท่านชันรักามาวันนี้ให้ให้นันรักไปดูอีกทีให้ให้ใหใหช่างมาลื้อนั่งร้านลงก่อนวันงานงานจะไม่สวยก็้ไปจัดการเรื่องหลอดไฟให้เรียบร้อยท่านอูช่วยดูด้วยนะ ก็งานไหนที่เป็นงานหนักก็มารวมกันเท่าแต่ทำในเป็นงานส่วนสําคัญส่วนเบาก็คือท่านดอีกอันหนึ่งแทงน้าตรงน้ําัใกล้อจะแห้งแทงน้ําครัวก็คงจะสูบใส่แทงหนึ่งก็ล้างแทงหนึ่งพอล้างเสร็จแล้วก็สูบกลับคืนมาใส่แทงนี้ก็ล้างแทงนั้นผมว่าก็จะทันอยู่แต่ตอนนี้มันมีน้ําสํารองอยู่ในแทงก็เอาน้ําสํารองใช้ให้หมดเราวจะล้างอีกทีหนึ่งทางแข็งใหญ่เพราะมันน้าฝนมันค่อนข้างไม่ค่อยสะอาดล้างทิ้งเอาน้ําบ่มาใส่ ถึงวันงานก็องทันอยู่ก็เราใช้สองปัม๊มปั๊มหนึ่งใช้ทังครัวมาถึงห้องน้ําปั๊มนี้ก็ใช้เฉพาะด้านนี้กับข้างล่างก็ก็ดีอยู่นะก็ช่วยบริหารจัดการดูเครื่องไฟเหมือนกันนะ้วก็ทำไงให้มันช่วงนี้เราไม่ได้ปั๊มน้ํามันน่าจะพรอมกับไม่พอมดูเป็นไงก็คงจะหลอดมันพออยู่บางทีหลอดมันวโวนสูง 200รอยแต่สรเลยคงไปซื้อร้อยอะไแปดิบ่ะเย็บอัน<อ>นั้<ใ>นเออดีอยู่ผมมาไปใส่ในห้องน้ำก็ติดอยู่นะตกหลอดเท่าไหร่ ไ, อ ไ, อ ไ, อไม่เกินร้อยนะอาจจะซื้อมาเป็นโหลอะผมว่าเพราอีกหลายหลอดที่มันไม่ติดนะไฟทางข้างล่างก็ดำกันทํ้งไม่พอไปเปลี่ยนไฟทางด้วยใช่ไหมไฟมันพอนะแต่ว่าหลอดว้นมันสูงมันเลยตัวเลี้ยงไฟมัน เออนั่นแหละแสดงว่ า, ว า, า, าน่รอยไป 180, สิบถ้าแปสิบลเออนั่ น, น, นแล้วก็ไปเอาหลอด200ออกให้หมดแล้วก็ซื้อร8อยปสิติดเดี๋ยวให้ดเดี๋ยวท่านเอบจการกระพร้าของเรื่อ